หัวข้อที่จะตั้งหรือแสดงเนี่ยนะไทยๆเรานิยมเรียกว่ามหาชาติมหาชาตินี่แปลว่าชาติใหญ่แปลว่าชาติใหญ่นะมหาแปลว่าใหญ่ก็คือชาติใหญ่ที่ใช้คําว่าชาติใหญ่นี้หมายถึงว่าอยู่ในเรื่องยาวๆในจํานวนชาดกทั้งหลายคือชาดกนี่ก็แบ่งเป็นคาถาเนี่ยนะก็นับตามคาถาซึ่งหนึ่งคาถาเขาเรียกว่าเอกนิบาตถ้าสองคาถาเรียกว่า ทุกานิบาตยงงนะก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยจนถึงที่เป็นพันคาถาเนี่ยนะพันคาถาก็คือพระเวสสันดรเนี่ยมีอยู่พันคาถาคาถาหนึ่งก็สองบรรทัดเนี่ยนะก็เท่ากับหนังสือเท่าไร่พันบรรทัดเนี่ยนะพันบรรทัดเรียกว่าพันคาถาคาถาพันเนี่ยนะในบรรดาคมภีทั้งหลายโดยเฉพาะคำภีสายชาดกเนี่ยนะ พระเวสสันดรชาดกจะเสื่อมก่อนเพื่อนในบรรดาคัมภีร์ที่เสื่อมก่อนเพื่อนเลยคือพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะมันคือตามหลักของทางธรรมะถือว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยเสื่อมก่อนเนี่ยนะไล่ไปจนเรื่อยๆมันพระเวสสันดร น, นี้เป็นคัมภีร์ที่เสื่อมเป็นคมภีร์แรกก่อนเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาผู้ที่ฟังก็ให้รู้ว่าเราจะได้ฟังสิ่งที่จะเสื่อมก่อนเนี่ยนะ ถามว่าทำไมจึงเสื่อมก็ด้วยเหตุผลหลายประการเหตุผลหลายประการประการสำคัญมากก็คื อ, อไม่เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของชาดกเรื่องนี้นีอย่างหนึ่งเนี่ยนะอีอย่างหนึ่งก็คือเอาธรรมะเหล่านี้มาทาเป็นการค้าไปแล้วเนี่ยนะอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับการค้าจะอยู่ไม่ค่อยนานเนี่ยนะมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่นานก็เสื่อมหายหมดเนีย่ยนะการที่แสดงชาดก นะชาดกถ้าจะว่าให้ตรงก็คือการแสดงถึงปุพพะจริยาของพระพุทธเจ้าปพุพพะนี้แปลว่าก่อนจริยาแปลว่าความประพฤติเนี่ยนะก็คือความประพฤติเก่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราว่ถือว่าตามคติของพระพุทธศาสนาท่านกลาวมองชีวิตเป็นสังสารวัตเนี่ยนะเรียกว่าเป็นกระแสแห่งวัตตะไม่ได้มองชีวิตเฉพาะ ชาติใดชาติหนึ่งขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้นแต่จะมองชีวิตอย่างตลอดสายเนี่ยนะก็จะมองจากอดีตที่ยาวไกลอันไม่มีที่สิ้นสุดไหลมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จากปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าตัดเหตุตัดปัจจัยไม่พร้อมก็จะไหลอย่างนี้ไปโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเหมือนกระแสน้าที่ไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เรียกว่ากระแสสังสารวัตเนี่ยนะสังสารวัตนี้เป็นเช่นนี้ ทีนี้เมื่อสังสารวัตที่เป็นไปเช่นนี้เนี่ยนะมันไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นเรียกว่าหาเบื้องต้นก็ไม่พบที่ยืนอยู่ท่ามกลางแล้วต่อไปในภายภาคหน้าก็ไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมทีนี้ในบรรดาสังสารวัตรที่มันไหลไปเช่นนี้ซึ่งทุกโทษในการเป็นไปเนี่ยมีมากสุดที่จะคนานนับก็มีผู้ที่เขาเห็นภยัย เห็นภัยของไอ้การเป็นไปในกระแสวัตตะอย่างนี้ที่ภาษาเราเรียกว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเนี่ยนะคือผู้ที่เห็นภัยในวัตตะว่างั้นเถอะถ้าเรียกแบบย่อๆก็คือผู้ที่เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเขาเรียกว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทีนี้บรรดาผู้ที่เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดก็คิดแสวงหาว่า จะมีทางไหนบ้างเนาะที่จะทําให้เรานี้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้สัทีนึเนี่ยนะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรรารพันความทุกข์ทางกายความไม่สบายใจเนี่ยทำยังไงจะได้พ้นสัทีนึงก็คิดหาทางออกกันเนี่ยนะคิดหาทางออกกันทีนี้ในบรรดาการหาทางออกก็มีเจ้าลัทธิทั้งหลายแหละเนี่ยเสนอทางออกมากมายเนี่ยนะแต่ทีนี้ในบรรดาผู้ที่ รู้ทางออกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนีน่ยนะก็รู้ทางออกจากวะตเนีน่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้ทางออกจากวะตฏนั้นถามว่าพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยัางไงาจึงรู้ได้ว่าเอ๊วะตฏนี้มันออกได้ด้วยอาการเช่นนี้นะเนีน่ยนะถามว่าพระองค์รู้ได้ ย, างงายังไงเนีน่ยนะก็ที่รู้ได้ก็คือเนื่องจากว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บําเพ็ญบา ร, รมีมา เรียว่าปุพพะจริยาเนี่ยนะคือพระองค์นี้ประพฤติบำเพ็ญบุญมานะพระองค์จึงตรัสรู้ได้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้บําเพ็ญบุญมาพระองค์ตรัสรู้ไม่ได้หรอกเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ไม่บำเพ็ญบุญมาแล้วตรัสรู้เราทั้งหลายก็เป hmm. ็นพระพุทธเจ้ากันทุกคนแต่ที่นี้เนื่องจากไม่ได้บําเพ็ญบุญบารมีแบบนั้นมาจึงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องประพฤติปฏิบัติเยี่ยงอย่างตาม ที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญแล้วจึงจะได้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าย้อนถึงว่าบรรดาการปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าตั้งใจสักวันสองวันแล้วสำเร็จเนี่ยนะไม่ใช่ตั้งใจชาตินี้ตั้งใจตั้งแต่เด็กอายุมากแล้วจะได้เป็นอย่างที่คิดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่สองชาติไม่ใช่สามชาติ ถอยหลังไปก็ไม่ใช่ล้านชาติก็ไม่ใช่แปลว่าเป็นกลับก็ไม่ใช่หลายๆกลับก็ไม่ใช่นะเฉพาะหลายๆกลับยังไงก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็มาหากรับหนึ่งเนี่ยนะเราพูดถึงความยาวนานก่อนว่ามาหากรับหนึ่งหลุมกว้างยาวลึกสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะสิบหกิโลเมตรกว้างยาวลึก16กกิโลเมตรแล้วก็มีไอ้เมล็ดพันธุ์พกาัดเนี่ยนะถ้าหยอดลงไปร้อยปีเม็ดหนึ่งรยปีเม็ดหนึ่ง เขบอกว่าล้มเนี่ยเต็มก่อนมหากับยังไม่เต็มอันนี shifted, ine, ้นี่เรียกว่าหน่วยของมหากับ so, ทีนี้มหากับอันนี้ถ้าหนึ่งล้มมหากับแบบนี้เรียกว่าหนึ่งใช่ไหมถ้าสองแบบนั้นเรียกสองกับสามกับสี่กับไล่ถ้าเลขศูนย์หนึ่งตัวเรียกว่าหลักสิบเลข0ูนย์สองตัวเรียกว่าหลักร้อยเลขศูสามตัวเรียกว่าหลักพันเลขศูนย์สี่ตัวเรียกว่าหลักหมื่น เลขศูย์ห้าตัวหลักแสนเลขศูย์หตัวหลักล้านมากขึ้นอย่างนี้จนถึงเลขศ1 4 0ีิตัวนี่เรียกหลักอะไรนั่นแหละเรียกว่าอาสงไขเนี่ยนะภาษาธรรมะใช้คำว่านั่นคืออสงไขแล้วอสงไขยอย่างนี้เนี่ยนะถ้าจะนับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้ถอยไปเนี่ยสัก20อิ อ, นนะ20อสงไข2อ่ะนะอสงไข่เศษแสนกับตอนนั้น ท, ที่ท่านตั้งจิตปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาเวลาเราทําบุญเราจะตั้งว่าอาสวัคยวหังนิพพานังโหตุไงนะพอทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาแบบนี้ท่านก็ตั้งแต่ท่านไม่ได้ตั้งแบบแบบเราเราตั้งเราตั้งนี่ก็คือตั้งแบบชนิดที่ว่านกน้อยทํารังแต่พอตัวเนี่ยนะเราส่วนใหญ่ก็จะตั้งแบบนี้กันนะแต่ว่าของท่านไม่ได้ตั้งตั้งแบบนั้นท่านถือว่า ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์สัตว์ทั้งหลายทุกเหมือนกันหมดไม่ว่าเราหรือสัตว์ทั้งหลายก็ทุกเช่นกันฉะนั้นเนาเราพ้นจากทุกข์แล้วจะช่วยให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยท่านก็คิดอย่างนี้ขึ้นนะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาเมื่อนะพอตั้งความปรารถนาอย่างนี้เนี่ยนะคิดในใจแล้วก็ทำบุญทำบุญแล้วคิดในใจนะจะว่าไปก็ไม่กล้าเล่าบอกใครหรอกก็เก็บเก็บเอาไว้ในใจ เคยมีหลายเรื่องไม่ใครทําอะไรแล้วไม่กล้าบอกคนอื่นนะที่จริงเรื่องนั้นเรื่องดีนะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเล่าอ่างั้นเนาะเดี๋ยวเขาหัวเราะเอาบ้างเดี๋ยวจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าไม่เล่านะไม่เชื่อถามผู้การอาจจะมีบ่อยมั้งนะทีนี้ก็ทํากุศลอย่างนี้นะไอทำบุญแล้วไม่เล่าบอกใครเนี่ยเจ็อสงไข่เนี่ยนะเจอสงไข่แล้วก็ทีนี้ก็เริ่มออกปากได้แล้วครบ7อสงไข่ก็เริ่มออกปากทําบุญแล้วก็ตั้งความปารถนาเนี่ยนะ มีหลายคนที่ทำบุญและตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเช่นใครบ้างในหลวงรัชการที่หนึ่งเนี่ยนะมีก็ตั้งเนี่ยนะก็ตั้งให้คนอื่นเขารับรู้ว่าฉันตั้งนะหรือแม้กระทั่งในหลวงเมืองเชียงใหม่ก็มีหลายหายน่าจะที่จำได้นะหนึ่งพระองค์แต่จำไม่ได้ว่ายุคไหนในหลวงเมืองเชียงใหม่ก็มีเมื่อก่อนเนี่ยนะหรือสมเด็จโตพุทธรังสีนะเขาก็จะว่ากันอย่างนั้นเขาก็ตั้งตั้งกัน ฉันคนที่ตั้งวาจาแบบนี้เนี่ยถามว่าตั้งได้ไหมตั้งอะตั้งได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ก็ อ, อีกเรื่องนึงละเนี่ยนะเหมือนกับเด็กมันโตขึ้นมานะฉันจะเป็นนายกอย่างเงี้ยนะตั้งมันตั้งได้อยู่แล้วแต่จะได้เป็นหรือไม่ก็ต้องเหตุอย่างด้านอื่นๆประกอบมันก็ทําบุญตั้งวาจาเนี่ยนะเปล่งวาจาแล้วก็ทําไปเรื่อยอีกสักเก้าอสงไข่เนี่ยนะเก้าอสงไข่บวกกับคิดในใจเป็นสิบหกอสงไข่เนี่ยนะ ทีนี้พอครบเนี่ยนะก็ย้อนมาถึงว่าถอยหลังจากนี้ไปสักสี่สงไขแสนกลับใช่ไหมคนที่ตั้งความปรารถนาคนนี้แหละที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็เกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีอยู่เมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองอัมระวดีฟังกันเถอะอัมระวดีนี่ก็ถ้าจะว่าไปในประเทศไทยก็มีนชื่อนี้อัมระก็คืออามรใช่ไหมเมืองอมรวดี ก็เมืองกรุงเทพก็คือเมืองอมรว ด, ดีแต่แหละนะของเราก็มีอมรว ด, ดีเนี่ยนะก็คือเมืองกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินเนี่ยนะครชื่อก็เป็นนั่นแหละก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยมากในเมืองนั้นทีนี้มหาเศรษฐีนี่ก็พ่อแม่ตายเร็วนะทิ้งมรดกให้เยอะแยะไปหมดเขาเป็นผู้ที่เรียนร่ําเรียนมากมีความรู้มากที่สุดในยุคนั้นเท่าที่มีมีกันแต่เรียนจบทุกสาขาหมดพอเรียนหมดแล้วก็ คิดถึงวันหนึ่งเนี่ยนะพอพ่อแม่ทั้งหลายตายนี้จากหมดทิ้งมรดกไว้ใหญ่โตมากก็เลยมาปรารพว่าเออการเกิดบ่อยๆอย่างนี้มันเป็นมันเป็นทุกข์นะเนี่ยนะยการเกิดเป็นอยู่แบบนี้มันเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะแล้วธรรมะที่ทําให้ไม่เกิดไม่ตายเหล่นี่ยต้องมีอยู่เป็นแน่เนี่ยนะธรรมะที่จะให้พ้นการเกิดแบบนี้น่าจะมี อันนี้คิดเองนะนั่งคิดเองว่าเมื่อการเกิดไอ้ความไม่เกิดก็ต้องมีทีนี้ว่าถ้าจะไม่เกิดได้มันก็คงมีหนทางมั้งมีทางเพื่อเพื่อความไม่เกิดเนี่ย น, นะ เ, ออเพราะฉะนั้นเราน่าจะสแสวงหาทางเพื่อความไม่เกิดถ้าหากว่าเรารู้ทางเพื่อความไม่เกิดเราก็จะพ้นจากการเกิดเอทางนี้ก็มีอยู่เป็นแน่แต่แต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็มันก็หาทางอ น, นั้นไม่เจอ อยากกันนั้นเลยเราก็ต้องควรจ ะ, สะแสวงหาทางเนี่ยนะก็เปรียบเ <c oughs> ทียบคิดรอบครอบเบ็ดเสร็จหมดก็คือสมเราเนี่ยควรออกบวชเนี่ยนะไม่ไม่ควรที่จะอยู่ครองเรือนเนี่ยน ะ, ะเสร็จแล้วแล้วทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดทาําไงเนี่ยนะมีเยอะแยะไปหมดเลยจานวนว่า80โกดโบราณเนี่ยทำยังไงดีก็ให้ทานไปทั้งหมดก็สิ้นเรื่องนะก็เลยเจะให้ทานเอาไปถวายในหลวงดีกว่าในหลวงเ้าบอกว่าเออฉันมีเยอะแล้ว ก็เลยตีกลองเนี่ยนะประกาศแจกคามหมดเกลี้ยงออกบวชทันทีเลยเนี่ยก็ออกบวชไปอยู่ในป่าพอไปอยู่ในป่าเนี่ยความที่ตัวเองเนี่ยร่ำเรียนมาเป็นอย่างดีปฏิบัติอยู่ไม่นานได้ฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ได้อภินยาอีก5ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่บอกเจวันเนี่ยไง เราเนี่ยมันจะเจปีแล้ว ย, ยังไม่ทันอะไรแล้นะจะเจ็ดปีจะสองรอบแล้ว ย, ยังไม่ทันไปไหนเลยนะแต่ของท่านนี่เจดวันแสดงว่าการศึกษาของท่านสมัยที่เป็นคารวาสเนี่ยเรียนมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะสำนวนว่าเหลือแต่ภาพปฏิบัติเหลือแต่จะเอาไปเจริญท่านนั่นเองแต่โดยการเรียนรู้ท่านเรียนรู้เป็นอย่างดีแล้วในเรื่องของประสินบริกรรมเรื่องฌานเรื่องอภิญญาเนี่ยนะมันเจดวันก็ชํานาญทีนี้เมื่อเป็นฤาษีที่ชํานาญในด้านอภิญญาอย่างนี้ ก็ชีวิตก็มีความสุขอยู่กับการเข้าชานออกชานเนี่ยนะวันๆก็เน้นแต่การเข้าชานออกชานเข้าตามลำดับชานเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่ได้ชานจริงๆก็คือจะเข้าตามลำดับเช่นจะเข้าหนึ่งสสามสี่ไล่ไปเรื่อยจนถึง8ดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไล่จากแดลงมาหาหนึ่งว่างๆก็เข้าสลับบ้างนะนเช่นเข้าหนึ่งออกนะแล้วก็เข้าสามเข้าสี่แล้วก็ไปเข้าอากาสาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยขึ้นลงลงขึ้น จนชำนาญจนไปทำอภิญยาห้าได้อภินญาห้าก็คืออย่างเช่นอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้อย่างหนึ่งนะมีตาก็ใช้เป็นตาทิพได้มองเห็นทั้งใกล้และไกลเนี่ยนะแล้วก็มีหูก็เป็นหูทิพใครคิดอะไรก็รู้ว่าจะระจิตของผู้อื่นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ระลึกชาติได้พวกนี้ก็จะได้อภินญาพอได้อภิญญาอย่างนี้นะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก แต่ว่าปุพานิมิตนี้แก่ไม่รู้เลยเช่นว่าพระพุทธเจ้านี้เวลาจะเกิดน ะ, ะท่านก็จุติจากดุสิตแล้วปฏิสนธิในครันของมารดาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะก็มาจุติจากดุสิตมาเกิดในคันมารดาแผ่นดินนี่ก็หวันไหวหมื่นโลกธาตุเนี่ย ว, วันไหวเนี่ยนะในรัศมีหมื่นโลกธาตุนะเอาแผนที่จักรวาลมาดูนะว่ามันหวันไหวถึงนั่นหมดเลยเสร็จแล้วก็อยู่ในคันมารดาครบ10เดือนประสูตดก็แผ่นดินไหวอีก นไพอประสูติแล้วครองเรือนไปจนถึงได้ออกบวชออกบวชแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินก็ไหวอีกหลังจากที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากแผ่นดินก็ไหวอีกแต่ว่าฤาษีคนนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าเข้าไหวก็ตอนมัวแต่เข้าฌานอยู่นะก็เลยไม่ได้รับรู้เหตุการณ์อะไรทั่วทั่วไปทันวันหนึ่งก็เลยเหาะไปที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองรามาวะดี อันนรัมมาวดีนี่พอมามานึกไอ้ประเทศไทยนี่มีหรือเปล่าชื่อชื่อเมืองนี้เมืองรัมมะวดีเนี่ยนะรัมมานครนี่มีไหมพวกกันประเทศไทยมีไหมก็บุรีรัมยังไงเมืองบุรีรัมอ่ะนะไอไอบุรีกับอคือบุรีกับเมืองเข้ามาอันเดียวกันอันนั้รัมมะนครก็คือเมืองบุรีรัมนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่บุรีรัมนี่มั้งอนะั เสร็จแล้วก็ฤาษีนี่ก็เหาผ่านไปชาวเมืองนั้นเขานิมนต์พระพุทธเจ้ามามามาทําบุญที่เมืองเนี่ยนะฤาษีนี่พอเห็นก็เลยถามเหาะลงมาถามว่าเขาทําทางเพื่อใครทําไมทุกคนทําทางแล้วทําไมมันสดชื่นไปหมดเลยนะปกติคนทําทางมันน่าจะดูเหน็ดเหนื่อยหอบใช่ไหมแต่นี่ไม่มีทําไมสดชื่นกันหมดเลยชาวบ้านก็ตอบว่าเขาเนี่ยทาทางรับเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้านี่จะเสด็จมาเพราะชาวเมืองนิมนต์มาฉัน พอได้ฟังคําว่าพระพุทธเจ้าซึ่งภาษาบาลีใช้คําว่าพุทธโธเท่านั้นแหละนะไอความที่สะสมอุปนิสัยตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยพอได้ฟังเท่านั้นก็ปีติมากผู้ที่ขับเน้นในเรื่องอริยสัจเป็นหลักเนยนะจะจะนิยมคําว่าพระพุทธเจ้ามากเพราะพระพุทธเจ้าเวลาขยายไปแล้วขยายเป็นอริยสัจนั้นคนที่ชื่นชมในอริยสัจมากเนี่ยนะว่าเอออันนี้เป็นสัจจะที่จริงแท้ พอได้ฟังคําว่าผู้ทโทปั๊บจะปลื้มปีติมากเพราะพุทธะนี้ขยายไปว่าเน้นการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะนคําว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้อริยสัจพอฟังอย่างนั้นแกก็ปีติมากย้ําอยู่สามครั้งว่าท่านว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกว่าใช่ก็เลยปีติมากท่า น, นก็เลยคิดว่าเออเรานี้ไม่ควรจะปล่อยให้ขณะอันนี้ล่วงไปเนี่ยนะขณะที่ชาวเมืองก็ทําบุญอ่ะนะเราก็ควรจะทําพุทธบูชาบ้างก็เลยขอ ขออนุญาตว่ามีสักแห่งหนึ่งไหมให้ให้ใหฉันขอทําบ้างเถอะชาวเมืองก็เลยเอาสินะเห็นวนะ่าแกมีฤทธิ์ดีก็เลยให้เนี่ยตรงนี้โครนเต็มไปหมดเลยนะน้ําเต็มโครนเต็มเอาฤศีทําตรงนี้ก็แล้วกันเผื่อจะใช้ฤทธิ์จะเสร็จเร็วหนห่อยฤศีก็บอกถ้าเราใช้ฤทธิ์นะมันก็แป๊บเดียวมันก็เสร็จแหมไม่ยั่งใจให้ยินดีอ น, นะนั้นควรจะทําด้วยมือของตัวเองก็เลยขุดดินขนดินมาถมถมยังไม่ทันเสร็จเลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดี ทีนี้ที่อื่นก็ทําเสร็จหมดแลเหลือแต่ที่ฤๅษีทํานี่มันไม่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมากับภิกษุสงฆ์มากมายทํำยังไงฤๅษีก็บอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ไม่ควรจะเหยียบโคลนตมแล้วข้ามไปเพราะฉะนั้นควรจะเหยียบเราข้ามไปแก็เลยสละชีวิตนี่แหละขอถวายเป็นพุทธบูชากันแ ล, แล้วกันก็เลยเอาเอ็เอเอเอนหนังเสือนี่นะหนังเสือฤๅษีเขาจะมีหนังเสือฤๅษีทุกวันนี้บางกลุ่มก็มีหนังเสือ ที่ที่มีหนังเสือและปูนั่งเป็นต้นเนี่ยนะมีหรือศีที่อินเดียสมัยนี้ยังมีอยู่เมื่อไม่นานนี้ก็ดูภาพยังเห็นหนั่งหลังเสืออยู่เลยเนี่ยนะแต่ต้องเป็นค่อนข้างมีบุญหน่อยนะที่จะได้ใช้หนังเสือได้เนี่ยนะแล้วก็ปูหนังเสือลงไปแล้วก็นอนทับนอนคว่ำเนี่ยนะเพื่อจะให้พระพุทธเจ้าเดินเหยียบคว่ำทีนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมากมาใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยนะ ฤศีนี้ความที่ท่านเนี่ยทรงไตรเพศอยู่แล้วเรียนคัมภีมหาบุริสลักษณะมาเป็นอย่างดีพอเหลือบตาดูจะรู้เลยว่าผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าแน่อ น, นอนเนี่ยนะคือคือเขาเรียนคล้า ย, ายๆกับว่าพวกที่เรียนสายสายที่เรียกว่าหมอดูอะนะที่ดูลักษณะคนมาเป็นอย่างดีเห็นหน้าแล้วรู้เลยว่าใครจะเป็นยังไงเ น, น, นี่ยนะฤศีนี้ก็เหมือนกันแกเรียนคัมภีร์มหาบุริสลักษณะมาเป็นอย่างดีพอเห็นรู้ได้เลยว่านี้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นท่านก็เลยมาคิดในใจนะถ้าเราปรารถนาหมดกิเลสเราจะเป็นภิกษุรูปสุดท้ายเดินตามหลังภิกษุเหล่านี้ทั้งหมดเราจะเป็นพระอรหันต์ทันทีเนี่ยนะนะคือคือถ้าเรามีใจนะเสร็จแล้วท่านก็บอกเอ๊ะจะประโยชน์อะไรด้วยการตรัสรู้แล้วก็บรรลุไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะนะอะ่ชายชาติทะลังอย่างเราอ่ะนะควรอะไรที่เราจะตรัสรู้ไปแต่เพียงผู้เดียวเนะี่ย ก็ถ้าเป็นทุกคนนะโดยมากๆแล้วไม่ค่อยมีใครที่จะสละโอกาสอันนี้เนี่ยนะสละโอกาสที่เรียกว่าสามารถจะบรรลุพายได้ภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยนะบรรลุทันทีเลยแต่แต่ท่านไม่เอาเนี่ยนะประโยชน์อะไรด้วยการที่เราจะบรรลุหรือว่าตรัสรู้เนี่ยนะแต่เพียงผู้เดียวอยากกันนั้นเลยนะถ้าเราตรัสรู้แล้วเราก็จะให้ผู้อื่น ตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราปรินิพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเราโล่งใจแล้วก็จะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเนี่ยนะด้วยบุญญาที่การนี้คือที่การที่ได้ถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือคือล้มตัวลงนอนเพื่อจะให้พระองค์เดินข้ามนี่ก็ถือว่าได้ถวายชีวิตแล้วพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์เลยว่า นนพยากรณ์บอกภิกษุทั้งหลายกับบริษัททั้งหมดที่ที่มานัที่นั้นว่าท่านทั้งหลายจงดูฤศีนี้เนี่นนยนะฤศีนี้เป็นพุทธังกูลนะคำว่าพุทธังกูลก็คือพุทธะบวกอังกุระอังกุระแปลว่าหนอคนนี้เป็นหนอของอของพระพุทธเจ้านะว่าคนนี้ต่อไปการจากนี้ล่วงไปสีอสงไขยแสนกับเขาจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม มีพ่อชื่อว่าพระเจ้าสุธโทธทนะมีแม่ชื่อว่าพระสิริมห า, มายานะอย่างที่พุทธประวัติเราเรียนกันนะนะั่นแหละพระพุทธเจ้าพยากรแล้วเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยนะนะก็ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่ทีนี้พอได้รับพุทธพยากรณ์เสร็จเนี่ยนะมนุษย์ทั้งหลายก็ดีใจใหญ่เลยก็มาบูชาฤาษีบูชาอะไรกันว่า มันก็มีประชาชนส่วนหนึ่งดีใจอยู่ว่าเออนี่นะดีนะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ข้ามจากพระพุทธเจ้าองค์นี้นะเราก็จะไปคอยข้ามกับพระพุทธเจ้าองค์นี้คว่านันเราไม่ได้บรรลุพระพุทธเจ้าทีปังกรเราก็ไปคอยบรรลุตอนพระพุทธเจ้าพระสัมมาณคดมนะเขาก็มีคอยแบบนีออ้ถามว่าพวกคอยนั้นนะมีปริมาณน้อยหรือมากมีเป็นหมื่นๆเลยนะ ท, ที่มีใจแบบนั้นนะแล้วพวกนั้นไม่ได้บรรลุทั้งหมด ไอ้พวกที่บอกว่าคอยเนี่ยนะฐานนี้ฉันไม่ไป จ, จะไปคอยฐานอ่ะพวกนั้นไม่ได้บรรลุกันเนี่ยนะพวกนั้นก็จะถามว่าบรรลุเมื่อไหร่บรรลุตอนพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรัสรู้หรือบรรลุตอนที่กับพระพุทธเจ้าของเราและบำเพ็ญบา ร, รมีมาสี่อสงไขยมีมาก น, นะนะไม่ใช่พระโพธิสัตว์พระองค์เดียวถามว่ามีใครบ้างอะ่ะก็คือพระนางพิมพานี่แหละเจ้าหนึ่งก่อนแล้วก็ยคนอื่นๆอีกเยอะแยะเลย เป็นหมื่นๆคนพระนางพิมพานี้ก็เห็นฤาษีได้รับพุทธประโยชน์นะแต่ว่าอาจจะเคยผูกพันเงินมาหลายชาติยังไงไม่ทราบก็เลยเขาก็ถือดอกบัวมาแปดดอกจะมาบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันพอมาเห็นฤาษีเข้าก็เลยมีใจเลื่อมใสในฤาษีเนี่ยนะที่ฤาษีปรารถนาพโพธิญาณนางนี่ชื่อว่าสุมิตานีนะชื่อสุมิตาไม่ใช่สุมิตรานะสุมิตา ชื่อนางสุมิตานี่ก็ถือดอกบัวมา8ดอกก็ถวายแก่พระโพธิสัตว์ไี่5ดอกวอก ง, งั้นว่า5ดอกนี้ขอท่านจงบูชาทำพุทธบูชานะเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนสดอกนี่เป็นของฉันฉันก็ทําบุญป่าถนาะนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็พยากรณพระนางนางสุมิตาซึ่งคือพระนางยโสธราพิมพาด้วยเหมือนกันในตอนนั้นนะนะก็แล้วก็มีพวกอื่นๆที่ทําบุญร่วมป่าถนาอีกมาก พระฤาษีคือสุเมธบัณฑิตเนี่ยหลังจากที่ พ, พุทธบริษัททั้งหมดทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นต้นเขาเข้าไปกันหมดแล้วสุเมธฤาษีก็นั่งขัสมาธิเนี่ยนะก็นั่งพิจารณาว่าเรานี้ได้รับพุทธพยากรณ์นั้นนะคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำที่แน่นอนถามว่าเหมือนอะไรบ้างก็อุปมาว่าคำพูดพระพุทธเจ้าแน่นอนคือถ้าเช้ามาดวงอาทิตย์ต้องขึ้นอันนี้ข้อหนึ่งนะ ข้อสองถ้าท่อนไม้คว้างขึ้นต้องตกคนคันแก่ถ้าได้กําหนดคลอดคนถ้าแบกของหนักๆไปถึงที่ต้องวา ง, างนะนะสัตว์ที่เกิดมาแล้วต้องตายคําพูดพระพุทธเจ้าแน่นอนฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่เสร็จแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๋การที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันก็ต้องมีธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าสิอันนั้นแหละเรียกว่าพุทธการกะธรรมธรรมที่จะทําให้เป็น พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่าจะพิจารณาถึงธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็นั่งคิดดูเอ๊ะจะเป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นได้ยังไงตรงนี้ถ้าคนที่ไม่ได้อภินญาห้าสมาบัติ8จะคิดเองไม่ได้ะนะท่านได้อภิญญาห้าสมาบัติ8ท่านก็เลยไข่ครวญค้นคิดถึงว่าธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นแน่ก็เลยพิจารณาดูก็เห็นทานเนี่ยเป็นอันดับแรกเนี่ยนะ เธอที่บอกว่าเมื่อเราค้นหาบา ร, รมีเนี่ยนะก็เห็นบา ร, รมีเนี่ยเป็นข้อที่หนึ่งที่เป็นทางใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนประพฤติมาหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทุกองต้องบำเพ็ญทานบา ร, รมีมาจึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยสอนตนหรือเตือนตนด้วยตนว่าท่านจงยึดบา ร, รมีข้อที่หนึ่งนี้ให้มั่นคงก่อนท่านจงบําเพ็ญทานบา ร, รมีเถิดถ้าท่านปรารถนาจะ บ, บรรลุโพธิญาณ นะถ้าปรารถนาจะบรบบรลุเป็นพระพุทธเจ้านะท่านต้องบําเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นท่านเห็นยาจกทั้งชั้นต่ําปานกลางทั้งชั้นสูงแล้วท่านจงให้ทานอย่าให้เหลือเนี่ยนะต้องให้แบบไม่เหลือถามว่าเหมือนอะไรบอกเหมือนหม้อที่เขาคว่ำไว้ฉะนั้นบอกเหมือนอย่างว่าหม้อที่เต็มไปด้วยน้ําผู้ใดผู้หนึ่งจับคว่ำลงแล้วน้ําย่อมไหลออกไปหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นฉนันใดเนี่ยนะท่านก็ต้องบําเพ็ญทาน เช่นนั้นเหมือนกันนั่นก็สมท า, านทานบารมีก็อย่าลืมว่าความตั้งใจอันนั้นเนี่ยแรงกล้ามากนะตั้งใจว่าฉันจะต้องให้ทานเหมือนหม้อคว่ำมันนะสมท า, านอย่างเรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะตั้งใจไว้แบบนั้นจริงๆซึ่งเป็นความสุดจริญใจยอย่างยิ่งซึ่งสําหรับคนที่ได้ฌานเนี่ยนะไอ้ความคิดอันนั้นซึ่งมีฌานเป็นบาทนะความคิดที่สมท า, านบารมีอ่ะ มีฌานเป็นบาตอธิษฐานอย่างมั่นคงว่าเราจะต้องให้ทานเหมือนกับม้อคว่ำเราจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่ให้ทานยังไงมันก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ดีท่านก็เลยสมาทานว่าจะให้ทานเหมือนกับม้อคว่ำแล้วก็ค้นบารมีไปอีกก็เห็นศีลบารมีว่าเราจะต้องรักษาศีลนี้เสมอด้วยชีวิตเนี่ยนะ หมายคือว่าชีวิตจะตายไปก็ช่างจะขอบำเพ็ญศีลบารมีเพราะศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสมาทานศีลที่เป็นไปในภูมิสีรักษาเหมือนกับจามรีรักษาขนหางเนี่ยนะก็เห็นศีลบารมีข้อที่สองคือศีลบารมีก็ตรวจหาคนไปอีกก็เห็นบารมีข้อที่สามคือเนคขมะบารมีว่าท่านจะต้องเห็นพบทั้งสามเหมือนกับห้องขังเนี่ยนะ ก็ธรรมดาคนที่อยู่คุกมานานเนี่ยนะหมายอยากออกจากคุกเหลือเกินเงนะชันดายบอกว่าท่านจงเห็นพบทั้งสาเหมือนกับคุกตารางท่านยินดีที่จะออกจากพบสามชั้นนั้นก็สมาทานอย่างมั่นคงอีกเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ค้นหาบา ร, รมีข้อที่4ก็เห็นปัญญาบา ร, รมีซึ่งเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ อ, อาศัยปัญญาบา ร, รมีท่านก็เลยสมาทานปัญญาบา ร, รมีเหมือนอะไร ว่าท่านจะต้องเข้าไปถามผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปเที่ยวถามเหมือนอะไรบอกเหมือนพระพิสุทิ์เดินบินธบัตไม่เลือกลำดับตระกูลฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปรารถนาจะ บ, บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่แล้วก็คนต่อไปก็เห็นวิริยะบารมีเนี่ยนะทีนี้วิริยะบารมีก็ตั้งใจมั่นสมาทานมั่นคงว่าความเพียรของเราต้องไม่ย่อหย่อน เนี่ยนะต้องไม่รู้สึกว่าท้อถอยเลยเหมือนอะไรบอกเหมือนสีหาราชศีเนี่ยนะเป็นผู้ที่องค์อาจในทุกอิรยาบดเหมือนกันเถอะไม่รู้สึกหวั่นเกรงเลยเหมือนกันใจเราต้องเป็นอย่างนั้นก็สมาทานเสร็จแล้วก็ค้นหาบา ร, รมีไปอีกก็เห็นขันติบา ร, รมีซึ่งเป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยสมาทานคืออธิษฐานจิตให้มั่นว่าท่านจะต้องอดทนทั้งคํายกย่องและคําดูหมินเนี่ยนะ ท่าบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนี้คนอื่นจะทิ้งของสะอาดหรือไม่สะอาดลงไปแผ่นดินก็ไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจท่านต้องสมาทานจิตให้เป็นอย่างนั้นนะต้องบำเพ็ญขันติบารมีอย่างนี้จึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็พิจารณาถึงบารมีอื่นอีนอกก็เห็นสัจจะบารมีเป็นข้อที่7เนี่ยนะก็เลยสมาทานสัจจะบารมีถามว่าเหมือนอะไรท่บอกว่าเหมือนดาวประกายพลึก ดาวดวงหนึ่งที่โคจรไม่ว่าจะฤดูไหนก็โคจรเช่นนั้นท่านท่านจะต้องรักษาสัจจะของท่านเหมือนกับเนี่ยนะรักษาสัจจะเหมือนกับดาวที่โคจรเที่ยงแท้แน่นอนเสร็จแล้วก็เห็นบารมีข้ออื่นต่อไปอีกก็คือเมตตาบารมีท่านก็เลยสมท า, านเมตตาบารมีถามว่าเหมือนอะไรเหมือนอย่างเอ่อน้ำน้ำที่เย็นเนี่ยนะเขาบอกว่าใครจะอาบก็ชื่นชื่นเย็นเหมือนกันหมด ใครจะอาบก็ชำระของสกรปรกได้หมดฉันใดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องจิตท่านเหมือนกับน้ำแผ่เมตตาไปในสัตว์ทุกชนชั้นวันลนะทั้งหมดมีใจประดุ์กับน้ำก็เลยสมาทานเมตตาบารมีว่าท่านจะต้องมีเมตตาเหมือนกับน้ำนะนะก็พิจารณาค้นคว้าถึงบารมีข้อต่อไปอีกก็เห็นอุเบกขาบารมีเนี่ยนะเห็นอุเบกขาบารมีก็สมท า, านอุเบกขาบารมีเหมือนกับแผ่นดินอีกเหมือนกันนนะ ก็เลยสมท า, านสมท า, านบารมีทั้งสิก็ไข้ครวญถึงสภาวะทั้งกิจทั้งลักษณะของบารมีทั้ง10พิจารณาทั้งทวนขึ้นทวนลงเนี่ยนะพิจารณาตั้งแต่ข้อที่1คือทานไปจนถึงอุเบกขาพิจารณาจากอุเบกขามาหาทานพิจารณาสับระหว่างกลางเนี่ยนะมันก็มีการพิจารณาบารมีอย่างอย่างมากเนี่ยนะ มีพิจารณาทบทวนสลับไปสลับมาแล้วก็สมาทานอธิษฐานเอาไว้มั่นคงอยู่ที่ที่จิตใจพอท่านสมาทานอย่างนั้นแผ่นดินก็ไหวอีกเหมือนกันแผ่นดินก็ไหวตอนที่สมาทานบา ร, รมีเนี่ยนะหลังจากที่ท่านาสมาทานหรือตั้งใจว่าจะต้องบําเพ็ญบา ร, รมีณนะจุดนั้นเนี่ยนับมาเลยว่าอีกสอสงไขยแสนกลับจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าวันชาตินั้นท่านก็บําเพ็ญบา ร, รมี น, นะตามสมควรแก่อัตภาพ